นน ย, ย, ยังยังดูตัวเราแสงสว่างเท่ากันไหมดูสว่างน้อยกว่าเจ้าค่ะน้อยกว่ามากไหมไม่มากเจ้าะไม่มากเลยเจ้ค่ะตัดชิ้ใจขั้นห้านะแล้วขึ้นเชื่อว่าคั้นห้าของคนก็ดีใส่ก็ดีนะ ร่างกายของเราคนดีร่างกายพระองค์คนอื่นไมดีที่มีธาตุสี่จมีอาการสาริษฐ์สองมันสุขภกพระอุจาระปัจจาวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองจริงทั้งหมดนี้เราไม่ถึงเป้าทุนนานะและ้วแล้วเราก็เราจะตัดความโกรธความเฉลิมบัตการคิดจะมีค่าถึงค่าใครใครแต่คนดีใจกดีจะไม่มีในเราเราจะให้อภัยกับคนที่ทําความผิดทุกอย่าง โดนเมื่อคิดโกรธจิตนั่ตามนั้นต่อพิตเจ้าค่ะสว่างขึ้นมั้ยสว่างขึ้นเจ้าค่ะเท่ากันือยังเท่าทันไหมทารถ้าเท่าแล้วจังค่ะเท่าเลยนะเจ้าค่ะจิต ค, คิดต่อไปว่าขึ้นชี้ว่าขันท่า ที่พระพุทธจ้าทรตรัสว่ารรมีรูปเวทนาสัญญาฉังขานิยานเราให้กรรมากายนะยิ่งถ้าหลายเรามีเราเกิดขึ้นมาเพวามหนาจกิเลสตัณหานํามาเกิดดังนั้นในเมื่อกิเลสตัณหามันเป็นเจ้าของกายเราก็าจะไม่คบกับกิเลสตัณหาอวตารใดๆทั้งหมดขึ้นที่ว่าร่างกายประเภทนี้จะไม่มีสำหรับเราต่อไป แค่ต่อไปข้างหน้าคือการเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพงกดีเราไม่จึงปรารถนาเราต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพานทำใจให้มันท่านดูรัชิตรกายที่สว่างมากขึ้นะตอนนี้ขยับมาหยุดแถวสองเจ้าคะแถวสองเลยเจ้ะะาคะไอแถวสองให้ลอมนึกถามด้ว่าท่านเป็นท่านไหนนะ แ้วสท่านเป็นพระอริยะชนไหนตามความรู้สึกอนาคามีมั้งเจ้าค้วอนาคามีมั้งเจ้าคะเมื่อกี้ว่าตรธาคามีดอนาคามีมั้งนะ่ะนนยังมีขางหน้าสานนว่างไสวใช่ไหมแต่นี้เราไม่สว่างยังไม่สว่างเล่ไม่ใช่แถวพท่านสว่างนะ แถวพลั hm. mm ี hmm. mm ่สว่างกว่านั้นมีไหมตรงหัวแถวแถวที่สองที่สว่างนะคะสามากนะเจ้าค่ะจับเอนะเจาค่มันก็ดาวไหว่างแต่พุทเจค่ะนรหันเนี่ยนันตัดสินใจตัดสินใจต่อไปอีก มันนั่งมองลงมาข้างล่างดูร่างกายที่มันนั่งอยู่มันสับสนนะฮแล้วก็มันก็เป็นทุกข์ถ้าเราเกิดเป็นคนใหม่มันก็เป็นทุกข์เราไม่เอาถ้าเราจะเกิดเป็นเทวดาหมดพุนวัตสนาวรมีแล้วเรากลับกลมาเกิดเป็นคนเป็นทุกข์ใหม่เราก็ไม่เอาถ้าเราจะมาเกิดเป็นภูมั้งหมดพุนวัตสนาวรมีใจกานแล้วก็ต้องเกิดเป็นคนใหม่แล้วไม่เอา เราต้องการผลิตภันฑ์เวลานี้ตัดใจเลยนะเพราะมุ่งเฉพาะผลิตภัณฑ์จุดเดียวที่เขาจะมานับตั้งแต่วันนี้เป็นมเริ่มไปว่าตัวธาตุใดๆก็ตามถ้าสิ่งที่มีสิที่เกิดตามร่างกายเราก็ตามร่างกายก็ถึงก็ตามทรัพย์สินก็ตามเราจะไม่ไม่ยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราต่อไปใจญ่ทรงตัวได้อย่างใค่จ้าระวังเสมอระวังจ้ะ เอาไปเทียบไปเทียวโค้ดโค้ดเทียวดยัง น, น้อยกว่าท่านใช่ไหมเจ้ค่ะน้อยกว่ามากไหมไม่มากจ้าค่ะไม่มากนะเจ้ค่ะน้อยก็ไม่มากน่ารกทดีนะนี่เข้าไปกราบทุกนิบสัมมาสัมพุทเจ้าทุกาชาตินี้ข้าพระพุทธเจ้ามีโอกาสมาถึงพระนิพพันไห้ไหม ฟังคำตอบตามความรู้สึกที่นี้ไม่ใช่เสียงความรู้สึกว่าไงได้เลยค่ะ ไ, ได้เลยค่ะอีกนั้นทนได้อายุถึงแปดสิบปีไนหะ ไม่ถึงแม่เจาะนั่นแหละเจ้าค่ะไปก่อนพ่อมาได้ เ, เปรียบ น, นะเห็นแม่ไหมเห็นเจ้ค่ะใสยังไมเห็นใสเนี่ยแต่หน้าเห็นไม่ชัดนะเจ้าค่ะต้องค่อยๆดูทีละขั้นแล้วก็เห็นตั้งแต่ไหลออกมาถึงถึงเทาา้านี่ชัดเจ้าค่ะแล้วก็ขาค่อยๆขอดูหน้าแม่ต้องค่อยๆดูทีละส่วนเขาสมาธินี้ไม่กว้ง หน้าสวยไหมหน้แมนนะจมูกตรงแกม้มตองใอเจ้าค่ะปากสวยปากห้อยสวยใชคะปากย้อย <ừ> ตาโตน ะ, จ ะ, ะ่จ้าคะจาวไม่แก่ลรกจ้าวจช่ไหะ ท่านแม่ทางแหลมเลยพระเจ้าค่ะไปอ่านดายละเอียดนะแล้วก็กราบลาพระพุทธเจ้าให้ท่านแม่พาไปหาทั้งปู่ท่ญญานย่าดุว่าท่านเป็นู้มีพระคุณมากนะถึงอย่างนั้หรือเถี่ยงที่แล้วเจ้าคะเออถึงนั่นมั้ย โอ้เนยาท่านประทับอยู่บนอะไรลูกประทับอยู่บนที่นั่งเจ้ค่ะที่นั่งดูที่นั่งนี้เป็นแก้วหลือเป็นเงินแ้วเป็นทองเป็นเก้าอี้ธรรมดาเป็นเป็นเป็นแก้วเจ้าค่ะเป็นแทมเนี่ยเป็นแก้วเป็นแท่งๆเหมันแท่นนะเจ้าค่ะเป็นแทใช่เรอแท่นเนี่ยเาเรียกแท่นบรรดุกำพรีดาอาจนะ ให้เราอ่าสีครบม่ะเหไหมมันดูให้ชัดที่สุดดูชัดเป็นสีอะไรแก้วแปล่าวปสวยหรือว่าเป็นแก้วดันดนแก้วแพ้วแ้วนะจ๊ะค่ะสวยมากนะแก้วค่ะท่านปู่ทรงกระทับเครื่องทรงอะไรลูกท่านโตแก้วทรง แบบใส่แบบที right? ่เห uh. mm ็น hmm. น yeah, ุ้พุทธเจ้าเมื่อกี้นะเจ้าคะเจ้าคะสีสันเขียวและสีสันเหลืองส้นเหลืองเจ้าคะ่เหลืองต้องเก่งมากนนี้ขึ้นได้โอเคเพราะทานปู่สีเหลืองไอที่เีเขียวนันมันเป็นรัศมีจากมงคลลงมาน้าท่ปู่าปูดีใจไหมหลานมหาน่ดีใจเจ้ค่ะยิ้มเป่ายิ้มค่ะ มือท่านลูกตัวแบบมือท่านใชสว่างให้เส็จนั่งอยู่ในกราบที่ตักอะไรเราเป็นหลานนี่กราบนะเจ้าค่ะสวางไรนี่มองแล้วนยนะเจ้าค่ะกันแีใจมากท่านยกมือขึ้นจับหัวเจ้าค่ะใชนไูว่าไปดินยานั่งอยู่ทางด้านความือของท่านตัวเจ้าค่ะ เง่้ยแตงตัวทอะไรลูกเยี่ยฮึต้องเอาความรู้สึกช่วยเลยนะเจ้าค่ะเป็นท่านยายชัดเท่ากันปูมั้ยไม่ชัดเท่าเจ้าค่ะขอบารมีท่านญาติขอขอลูกเนี่ยหลานนี่ยชัดเลย สัญญาก็แต่งผ้ายกสีสีทองแต่ว่าทองทองไม่เหลี่ยงนะเจ้าค่ะเป็นยกยกเป็นแบบผ้ายกธรรมดาใช่ไหมเจ้าค่ะเสื้อท่นมีสบายด้วยนะเจ้าค่ะแต่ว่าใส่เสื้อด้วยนะเจ้าค่ะใส่เสื้อกวมีสบายทักทิศเจ้าค่ะ สาวาวแก่สาวเจ้าค่ะพระแม่ไหมสาวเหมือนแม่มเหมือนเจ้าค่ะขนเียวกันนะเจ้าค่ะเ ว, ว ด, ดาก็ไม่ดแก่หรอกนี่การกราบเปนปัญญาสาคัญมากนะถ้าคโนดีใจมากหมแล้วก็หันได้กรบาบแนจะค่ะ ทา่านทำอะไรบ้างท่านกลมหน้าตรงดูนะเจ้าค่ะใช่ท่านต้องยกแขนขนะเจ้าค่ะยกแขนยังจับตรงข้างหลังตรงใ ก, กล้ๆไ ด, ด้ทอยโลกเจ้าจค่ะท่านจับตะไไหมจับท่านจัดว่าดีใจเจ้าค่ะใจเลยเยิ้มเลยเจ้าค่ะฉันมาดูแม่เนี่ยเขายิ้มใหญ่เปล่า ยิ้มใหญ่ลเลยเจ้าค่ะแม่เขดีใจมากนะ ล, ลูกอยากดูอะไรัไม้มตอนนี้ไงเจ้าค่ะตอนนี้ยังไม่ท้าบจะดูอะไรเจ้าค่ะดูแลมันเยอะใช่อยากจะดูต่อไปนี่อยากจะปรับเหนื่อยยังไม่เหนื่อยแล้วเจ้าค่ะถ้าไม่เหนื่อยก็ขอไปดูทราปรัวัติของท่านปู่ให้แม่พาไป กาวต้นตัวท่้นย่านคนนะกล ใ, ใช่ค่ะใหญ่ไหมจะใหญ่ใชค่ะจะมีขอบขึ้นมานั้นเจ้าค่ะมีต้นไม้เจ้าค่ะมีะต้นไ ม, ตนไม้ต้นอะไรถาน่ยเยะหมต้นไม้ขอบสะนะั่นเจ้าค่ะอนนี้ําแม่ดีกว่า ต้นปาลิกรชาติใช่หมท่านแม่บอกไงท่นม่บอกว่าใช่เจ้าค่ะใช่เลยเจ้าค่ะต้นไม้เป็นไงลูกเป็นต้นไม้ธรรมดาหรือเป็นตไม้แก้วหรือเปต้นไม้ทองต้นไม้นี่ไม่ใช่ต้นไม้ธรรมดาใช่ไหมคะเพราะว่ามันมันมีมันเป็นต้นไม่สูงนะเจ้าค่ะแต่ใบโตโตเจ้าค่ะ รอบๆศาก็มีสีเหลืองเหลืองเหมือนทองนะเจ้าคะแต่รู้ว่ามีชีวิตนะเจ้าคะต้นไม้น่ะเป็นต้นไม้ที่มีชีวิตแต่มันเขียวๆทองๆเช้าคะไม่สวรรค์นเนี่ยม่มีแพรวร่งวิ่งใบใบด้านๆธรรมดาไม่ด้านเจ้าค่ะไม่ด้านเนี่ย้าคะ่ะเป็นแก้วเลยเจ้ากับตรงข้างศัรู้คิดว่ามีเก้า อ, อี้เลยนะเจ้าคะ่ะ ตั้งหยุดตัวอะไรใ่ะเป็นเหมือนไมาหิ่เจ้าคะเจ้าคะเป็นดูเป็นหิ่งเป็นแก้วเป็นดูนีแม่ดิตัวแม่แม่ก็ไม่ชช่หินงนะเจ้าคะเป็นอะไรลูกเป็นแก้วเจ้าคะแก้วเจ้าคะลองนั่งสบายนะ นั่งได้เจคะนั่งได้เลยเจ้าค่ะท่านแม่อยู่ที่ไหนลูกท่านแม่นั่งด้วยเจ้าคะ <S <S ่ะด้วยเลยจ้าค่ะท่จะแม่ที่ชมสวนท่านผูท่านผูมีสวนทังน้งหลายสวนทั้งสวนใกล้ๆ น, นั่งตรงนี้เราเห็นได้ทุกสวน <S 2> <S 2> ท่านเป็นท่านแม่ชีชีไปทาํา ทางขวาใช่ค่ะเป็นสวนอะไรชื่ออะไรหบือสวนชื่ออะไรท่านก็บอกว่าสวนโบกทวารนีใช่หมคะใช่ค่ะสวนข้าวสาบโบกนีนะเจ้าคะเอ๋สวยมั้ยไม่ที่ดอกมันต้นไม้นี่มันเป็น เป็นต้นใหญ่นี่เจ้าคะมีพุ่มแผ่กิ่งก้านสาขาแล้วก็คนต้นไม้ก็มีดอกไม้โตอยู่เจ้าคะ่ะท้าแม่ที่บอกว่าที่มีต้นใหญ่สาขาที่ตามนังสือยวเหนว่านันทวันใช่ไหมไม่ว่ไ่ไห ใช่เลยค่ะใช่เจ้าค่ะที่มีตม้นไม้นี่นี่วป็สวนจิตปรดาใช่ไหมเรื่องสีเรเขียนนะใช่เลคะใช่นะเจ้ค่ ะ, ะ, คะแต่บนบ น, นั้นเรื่อต้นเรื่อสวนปุกธนีกอยู่ใกล้าสาปุกธนีนะเจ้าค่ะสวนนี้คือสวนี้ท่า น, นผู้ชอบพาเทวดามาเที่ยวลมลืน่นเลน่เจ้าค่ะลมมงลงูกไหม้าค่ะมีลูกค่ะขึ้นมาเอากินดัลูกลนะ สวยดีนะค่ะเออแค่ได้ม่พาไปดูที่ปรชุมสวัสดาหนี่สวยทั้งอย่างเต็มแล้วเจ้ค่ะมีอะไรบอกมาที่ประชุมเดัสดีมีที่นั่งนะเจ้าค่ะสําหรับให้นั่งประชุม้ะเจ้าค่ะ ที đang ập, đang ่นั่งสําหรับแคานั่งสําหรับพระพุทธองค์มั้งเจ้าคะใช่มีมีนั่งอยูตรงตรงกลางนั่นเจ้าคะใช่แล้วก็ข้างหลังมีเป็นสวนดอกไม้เจ้าคะเออดีดีนะสวนดอกไม้อยู่ต้นเล็กก็มีนัเจ้าคะต้นโตต้นพุ่มๆก็มีเจ้าค่ะ เป็นแถวเลเจ้าค่ะมีด่างประชุมเป็นแท่นหรือเป็นเก้าอี้เป็นเป็นไม่ใช่เป็นเก้าอี้เลยเจค่ะเป็นแบบท่ น, น, เ, ปนเป็นที่เป็นที่ขึ้นขึ้นเหมือนธรรมาพราะนหน่อยๆเดวค่ะท่านที่นั่งที่อุดานั่งหรือที่ที่พระเจ้านาั่งที่พระเจ้าประทับเลยจค่ะ ท, ท, ที่เทวดานั่งหรกอมีอะไรไหมพี่เทวดานั่งมีที่นั่งเฉพาะเฉพาะด้วยเดีวค่ะใช่ใ ช, ใชตามตำแหน่งเจ้าค่ะตามบารมีอยู่อยู่ยด้านหน้าออกมานะเจ้าค่ะเวลานี้นอกจากแม่เรามีใครไหมนึกไม่ถึงว่าเพื่อนเพื<ๆ>่อนแล้วพี่น้องที่อยู่ที่วสวรรค์ทั้งนี้คอยมาประชุมกันทั้งหมดอยากจะพบ มาแล้วเยอะมาแล้วเจอะค่ะเดอมั้ยเย้ะเด้อค่ะเยอะเลยเยอะค่ะโอ้พวกเพื่อเพื่อเพื่อกาแฟใครสวยสันดูเขาดูความสดใสใส้ใกว่า เขาใส่กว่ายช่ไหมเขาใส่กว่านะเขาอยู่ก่อนนีนะเราเพิ่งโดดขึ้นดดมาวันนี้นี่ยไม่เป็นไรไม่ใช่เราก็ใส่เท่าเขาเนะ่ยขายินงแยนแจ่มใสไหมยิ่นใชค่ะเบถามถามดีใจัมใหมที่กลัมาได้เนี่ยเขาบอกว่าดีใจใช่ไหมชมได้ เ, มมเลยูกไปพอขึ้นมาได้ดูแทเลย มีใครดูอยูไ่ไหมตัวที่นั่งนี้แล้วก็ต้นไม้แถวนั้นตอนแรกรูปนี้นก็มีสะอยู่ใกล้ๆนั่นเองไม่ใช่เหรอคะใช่ไหมเป็น เขียวเขียว<ส>เป็นต้นไม้พุ่มๆเตีย้ยๆใค่ไหมกลับไปดูวิวันที่ปู่ที่แม่พาไปถึงไล้เจ้าคะ่ะสวยั้ยสวยเจ้าคะ่ะชอบไฟยาวเจ้าคะ่ะ เ, เจ้าค่ะอะไรลูกสีเป็น ยๆๆๆ yes ึกยิดเยอะแยะเค่ะใช่ค่ะชอบไฟยาวเป็นไงนะเจ้าค่ะใช่เลยหมือนเหมือนเรานาะค่ะอันนีไม่มีกี่ชั้นถามแม่มีกี่ชั้นถามถามท่านแม่เจค่ะว่าอะไรมีกี่ชั้นเคะพี่มายเขาท่านปู่นี่มีกี่ชั้นโดนนับไม่ไหวแล้ว เจ้าค่ะสอนสอนกันเจ้ค่ะเยะหมเจ้าค่ะเอสวยมยสวยเจ้าค่ะเอ๋ดูด ๆ, ๆทั่ว้ะชมดทั่วอยากมานา น, นมามาเดินนนอเจ้าทั่วข้างด้านหน้ามีศาลาสำหรับนั่งเล่นด้วยนะเจ้าค่ะ ศาลานี่มีมีเสามีก็มีม้านั่งแล้วใช่ไหะเสาเป็นอะไรลูเกเป็นแก้วเป็นทองเสาเป็นแก้วจ้ะคะมานั่งมานั่งก็เป็นแก้วจ้ะคะแก้วเลย่ะหมเราขอชมดูห้องประทับของท่านปู่ดิ จะเป็นหลานเข้าได้ใค่แม่พาไปสวยไหมตอนนี้นะคะมีม่านีลยไหเจ้าคะมีม่านทั้งใน เข้าไปข้างในแล้วก็มีม่านที่จะเข้าไปห้องข้างในอีกเจ้าคะม่านสีทองนะเจ้าคะเจ้่คะท่าปู่ท่านญ่านั่งอยู่นนเจ้าค่ะงท่านเขาเข้าย่าค่ะทไม่ใช่ในป่นั้นเข้ามได้หรอกข้างในนั้นคงเข้าไปอีกใช่ไหมเจ้าคะเข้าไปอีกท่านปู่ท่านย้าอยู่ข้างนอกนี่เจ้าคะ ไม่เข้าเลยนะไม่เข้าเลย้อยู่กัทางเดีวกันนะใช่ค่ะนั่นด anyway> ึก่าแล้วลาทัานกลับนะมาหลังเครื่องหน่อ่ะเดี๋ยวก่อนจะกลับเข้าไปพุทธลาวณีเดี๋วก่อนลาท่านผู้่านาดยก่อนเดี๋มาเอเวลาเพื่อไเจ้าเห็นไหมเจ้าค่ะเจ้าจัเจ้าวางขึ้นไหม ขยเดมจ้าค่ะขเดไหมเจ้าค่ะเห็นัสการมท่านนะก็หันว่ายก่นแล้วก็หันมาว่ายพระสงฆ์นะแลตั้งใจว่าข้าพเจ้าพรุทธเจ้าขอมาเพ่การชาตินี้ขึ้นชื่อว่าการหงายในขั้นห้าคนดีถ้าผิดวดีจะไว่มีจิใจโค้เข้าพระเจ้าอีแล้วขอก้อนอย่าพระองค์สองสองยกก็ขาดเท่าร่ยกจค่ะดังคนกราบกันนะรู้มกรับได้แล้วนะ